เมื่อรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นทาเองนั่นเนี่ยทาเองต้องสร้างขึ้นมาเองเรียกว่าสติสติกับความรู้สึกตัวเป็นคำเดียวกันคาว่าสติคมและลึกได้นะไม่ใช่ระลึกของเอาไปวางไว้ที่ตรงนั้นวางไว้ที่ตรงนี้คนนั้นสอนอย่างนั้นคนนั้นสอนอย่างนี้นไม่ใช่ระลึกนั้นอันนั้ น, เ, นเป็นภาษาที่คำพูดกันมาในโรงเรีย น, นยครูต้องสอนอย่างนั้น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 แต่คนอื่นจะเป็นอย่างไงไม่รู้ไม่ทราบหลวงพ่อทำไม่ต้องพิจารณาเลยทำพลิกมือขึ้นข้ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเอียงซ้ายเอียงขวก้มเงยเลือดซ้ายแรหัวพิษตาก็รู้หายใจก็รู้รู้มาเข้ามาเข้าเกิดปัญญายานยานจะว่าคมรู้สารก็ว่ารู้ยานก็ว่ารู้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 แต่เรื่องอื่นๆนั้นพระผู้รเจ้าท่านก็สอนเป็นธรรมดาแต่เรื่องง่ายใจความหรือความสำคัญที่สุดก็เรื่องทุกนี้เองดังนั้นทุกสิ่งมีมากถ้าเราสงสัยตายแล้วเกิดไม่ก็เป็นทุกนสงสัยผีมีไหมก็เป็นทุกสงสัยเทวดามีไหมก็เป็นทุกเป็นทุกเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเราไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงนั่นเองเราเกิดสงสัยขึ้นมาเล็กๆน้อยๆ